เวลากินข้าวหลายคนมองว่าเป็นช่วงเวลาสังสรรค์นะกินข้าวไปก็ถือโอกาสพูดคุยสนทนาที่จริงการกินข้าวมันก็มีบทบาท แบบนี้เหมือนกันนะเวลาจะคุยเรื่องธุรกิจการงานถ้าไปคุยในร้านอาหารหรือว่าไปคุยช่วงที่กำลังนะกินข้าวกันมันก็ช่วยทาให้เกิดความคุ้นเคยกันหรือเกิดความบรรยากาศที่ผ่อนคลายทางธุรกิจเขาก็ใช้ช่วงเวลากินข้าวนี่แหละนะเป็นโอกาสในการสนทนาเรื่องธุรกิจนะส่วนคนทั่วไปก็มันก็ใช้เวลาช่วงนี้แหละนะในการที่กระชับมิตรภาพ แต่ว่าที่นีนะ่การกินข้าวนะมันคือช่วงเวลาที่เราจะได้นะฝึกใจของเรานะฝึกใจให้มีสติอยู่กับการกินนะถ้าเรากินอาหารอย่างมีสติกินอาหารอย่างถูกวิธีนอกจากเราจะได้รับอาหารไปบำรุงเลี้ยงร่างกายแล้วเนี่ยเราก็ยังได้สติไปบำรุงเลี้ยงจิตใจด้วยนะใจเราก็ต้องการอาหารนะ อาหารอย่างหนึ่งของใจก็คือสตินะความรู้สึกตัวนอกจากนั้นก็ยังได้แก่ความสงบนะหรือว่าปัญญาแต่ว่าเพียงแค่าการมีสติของการกินนี้ก็มันก็ช่วยเติมอาหารให้ใจได้ไม่น้อยทีเดียวถ้บางคนมองว่าเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันนะอันนี้ก็เป็นค่านิยมนะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะของคนจานวนมากโดยเพราะคนที่รู้สึกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองอย่างพวกนักธุรกิจนะได้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะนะเมื่อสองสามวันก่อนว่านักธุรกิจนะหรือซี o โอทั้งหลายเนี่ยที่มีชื่อระดับโลกนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ตื่นเช้าตีสี่ตีสี่ครึ่งแล้วก็อย่างหน้ที่ทก็คือออกกลังกาย แต่คนเหล่นี้เนี่ยเวลาออกกำลังกายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกกําลังกายอย่างเดียวนะอย่างซีโอของดิส ney เนี่ยนะเขาบอกว่าในเวลาเขาขี่จักรยานเนี่ยก็จะเป็นกิจเป็นจักรยานที่อยู่กับที่อ่นะเวลาขี่จักรยานเนี่ยเขาก็จะเช็คเมลเช็คอีเมลไปด้วยนะแล้วก็ท่องเน็ตไปด้วยอนะท่องเว็บตามเว็บต่างๆ แล้วก็แถมยังดูข่าวอย่นะทางโทรทัศน์นะอันนี้ไม่นับนะเพลงฟังด้วยนะทำห้าอย่างพร้อมกันเลยนะทั้งออกกำลังกายทั้งเช็คเมลทั้งท่องเว็บนะทั้งดูข่าวนะดูโทรทัศน์แล้วก็ฟังเพลงอ่านะคล้ายๆก็ถือว่าเออแบบเนี้ดีนะมันเป็นการทําให้มันเป็นการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพคือว่าทํำหลายอย่างพร้อมกันนะ แต่ว่าเอาเข้าจริงๆอาจอาจะไม่ดีอะไรสักอย่างเลยก็ได้นะเช็คเมลแล้วเกิดตอบเมลขณะที่กําลังดูข่าวอาจจะเห็นข่าวหุ้นตกน้ํามันนะราคาขึ้น mm hmm. เกิดความงุนงิดเกิดความกังวลในการตอบเมลก็อาจจะตอบไปด้วยอารมณ์ที่หงุดนงิดนะถ้ามันเป็นเมลหรือจดหมายที่สําคัญเนี่ยถ้าเราตอบด้วยอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมันก็คงจะเกิดผลเสียนะ อันนี้ไม่ใช่งานเสียงเดียวนะใจก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าถ้าทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยใจก็ฟุง้งซ่านเป็นคนที่ไม่มีสมาธิหรือว่าสมาธิสั้นนะสมาธิสั้นส่วนที่เกิดจากการที่ทําอะไรจับจดทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันแล้วก็เลยไม่มีสมาธิกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่นานๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรเป็นอย่างๆนะมันมีคําพูดว่าเนี่ย เดินทีละกนะ้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างอันนี้มันเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะของความสุขนะทั้งกายและใจนะสุขภาพกายสุขภาพใจจะดีขึ้นได้เพราะว่าเนี่ยเราเดินทีละกนะ้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างบางคนได้เดินทีละหลายก้าวนะสมัยอาจารย์สุมเมธโธนั่นเป็นชาวอเมริกันทั่นเป็นแล้วต่อหลังก็มาบวชกับหลวงพ่อชานะชาวอเมริกันนี่ก็ จะมีนิสัยที่ชอบทําอะไรเร็วๆนะฮะอาจารย์สุมเมโตะท่านก็เล่าว่ามีคราวหนึ่งโยมนิมนต์ให้ไปให้ไปที่ศาลาโยมมานิมนต์ที่กุฏินะให้ท่านไปที่ศาลาท่านก็รีบครองจีวรแล้วก็รีบเดินพอเดินไปถึงโยมก็พูดว่าเนี่ยเออท่านอาจารย์สุมเมโตะนี่เดินทีละหลายเก้านะแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไม่เหมือนหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาท่านเดินทีละเก้านะเดินทีละหลายเก้าเนี่ยกินข้าวนะ บางทีกินข้าวนะทีละหลายคํำนะแล้วก็ทําทีละหลายอย่างนะอันนี้แหละคือโตรแห่งนะการบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ไม่ให้ทําให้งานดีขึ้นด้วยถ้าเดินทีละหลายก้าวบางทีก็หกล้มนะหรือว่าอาเกิดพลังเผลอขึ้นมากินข้าวทีละหลายคํำนะก็ ค, คือกินยังไม่มีส ต, ะนะตินะเพ้อๆติดคอนะ นบางทีเคี้ยวไปก็ฟังเพลงไปเคี้ยวไปก็ดูโทรทัศน์ไปติดค อ, อก็มีอาหารติดคอในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามีช่วงปีใหม่เขาจะกินขนมชนิดหนึ่งนะบอกว่าคนติดคอเนี่ยนะจะตายเนี่ยเพราะขนมชนิดนี้ในะช่วงปีใหม่นี้หลายคนที่เดยนนะจนกระทั่งต้องเตือนกันเลยนะว่าให้าชกินเนี่ยให้มันเคี้ยวเนะี่เคี้ยวอย่างมีสติหน่อยนะหรือว่า เวลาจะกินก็ให้กินอย่ามีสติทำทีละอย่างนะอย่างเนี้ยเรามาเจริญสติแล้วก็เรามากินอาหารแล้วก็ใจเราก็อยู่กับการกินนะขณะที่ปากเคี้ยวใจก็รับรู้นะอาการเคี้ยวเราก็รับรู้รสที่เกิดขึ้นขณะที่เรารับรู้กายที่กำลังเคี้ยวนะรับรู้ก็ทั้งว่ากายกาลังนั่งอยู่ด้วยเนี้ยมันก็เรียกว่ารู้กายนะ แล้วก็เมื่อมีรสชาติอาหารแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยถูกใจนะใจมันเกิดเคลิมนะดื่มดำไปกับรสชาติอาหารก็รู้นะอันนี้เรียกว่ารู้ใจนะเกิดเคี้ยวแล้วรสชาติไม่ถูกใจไม่ชอบนึกบนในใจก็ให้มีสติรู้ทันนะเราก็สามารถจะฝึกสติเนี่ยให้รู้กายรู้ใจในขณะที่เรากินอาหารได้นะ เราไม่ได้กินด้วยใจที่เพ่งนะล้ว ก, กินสบายๆเคี่ยวสบายๆนะเวลาอาหารอร่อยก็ไม่ใช่รีบเคี้ยวหรือว่าบางทีอรีบกืนนอโดยที่ไม่ทันเคี่ยก็มีหรือว่ากินแบบมูมมามเนี่ยอันนี้พราะเรามีสติเราก็รู้นะตอนนั้นใจมันอยากจะเสพอยากจะบริโภคเยอะๆเพราะอาหารมันอร่อยนะเราก็รู้ทันนะ เราก็กลับมาเคี้ยวอย่างเป็นปกติอันนี้ก็เป็นการฝึกสตินะแล้วมันก็มีผลดีต่อสุขภาพนะเพราะถ้าเราเคี้ยวได้ละเอียดนะนะเพราะเราก็ไม่ต้องทำงานหนัก <c oughs> ท้องก็ไม่อืด น, นะหรือว่าถ้าเราไม่คิดงานคิดการอะไรคะ่ะที่กินเนี่ยมันก็ทาให้ไม่เครียดนะสาเหตุที่เป็นโรคเพาะมันก็น้อยลงอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งสุขภาพกายจุขภาพใจนะ เป็นการฝึกทำทีลรอย่างนะแต่ที่จริงเนี่ยทำอย่างเดียวแต่ได้สองนะเมื่อเคลียร์ข้าวอย่างมีสติเนี่ยทำอย่างเดียวได้สองก็คือว่าอาหารก็ไปเลี้ยงกายส่วนสติก็ไปเลี้ยงใจนะทูอินวันนะทำทีไรอย่างเนี่ยมันก็ได้ผลดีแล้วมันก็ช่วยพักใจด้วยนะถึงเวลา เราไม่ปล่อยใจใคิดเลี้ยเล่าถึงเวลาจะคิดก็คิดได้อย่างมีสติคิดได้มีสมาธิคิดได้ย่งมีพลังคิดได้ไดมีประสิทธิภาพให้ทําอะไรที่อย่างพร้อมกันนี่บางทีความคิดมันแตกกระจงนะจิตมันฟุ้งซ่านกระจุยกระจายไปหมดมก็ไม่ได้ผลดีอะไรเลยนะก็ลองฝึกดูนะเรากินอาหารกินอย่างมีสติรู้ถ่านความคิดปล่วางความคิดและใจมันเพลินกับการกับรสชาติอาหารก็รู้นะไม่เข้าไปเป็นผู้เพลินใจมันไม่ชอบนะ ก็ให้รู้ก็เห็นความไม่ชอบนั้นนะแล้วก็เตรียมรับพร